วันนี้เป็นวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2555ในหลักของพระพุทธศาสนาทมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญแนวความคิดเป็นอันดับหนึ่งทำไมทจ่วันแนวความคิดนันว่าสัมมาทิฏฐิในมรรคแปดนั้น มักแปนั้นึ้นขั้นขึ้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในเมื่อเราเห็นผิดทุกอย่างก็ผิดไปด้วยถ้าเราเห็นถูกทุกอย่างก็ถูกไปด้วยเราจะเอาอะไรมาวัดว่าเราเห็นผิดหรือเราเห็นถูกแต่ทุกคนเขาก็มั่นใจว่าข้าพเจ้าเห็นถูกข้าพเจ้าคิดถูกต้อง เ้าไเจ้าทำถูกต้องเขาไเจ้าพูดถูกต้องคือถ้าคิดถูกการกระทําก็ถูกการพูดก็ถูกถ้าหากว่าคิดผิดการกระทําก็ผิดการพูดก็ผิดเพราะมันผิดมาแต่ต้นเรื่องเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ว่าให้คิดให้ดีเอาสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบคือเห็นที่ในทางที่ถูกต้องการที่จะเห็นทางในถูกต้องนั้นเราจะเอาอะไรมาวัดต่างคนก็ต่างเห็นว่าตัวเองคิดถูกอันนี้เราต้องนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นแบบฉบับามาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสวากาตธรรมรัดไว้ชอบแล้วและก็พร้อมกันก็พิสูจน์มาถึง2 5 5 5 56ปีก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้าทมบทไหนที่พวกเราดูแล้วในทมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องสังหารเป็นเครื่องทำร้ายทาลายตนเองชุมชนสังคมประเทศชาติโลก มีไหมยกประเด็นมาสิมีไหมถ้าเราคิดดูแล้วไม่มีมีแต่ให้คุณคำพูดใดที่ออกมาล้วนแล้วจะให้คุณต่อคนที่นำไปวิเคราะห์ในเมื่อวิเคราะห์แล้วนำระธรรมคำสอนนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของตนล้วนแล้วแต่เป็น นิยานนิธรําล้วนแล้วจะมีความเจริญมีแต่ความสุขกายสบายใจอยู่ในชุมชนใดสังคมใดในยุคใดสมัยใดถ้านำธรรมคันสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าเห็นให้คิดอย่างไรท่านบอกจะจะเห็นแก่ตัวคือให้มองคนอื่นมองเรามองเขา พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่าอย่างอื่นที่สุดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดทดําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วบาป บ, บุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนตายแล้วไม่มีเกิดไม่ได้เกิดอีกทําดีก็ไม่ได้ดีทําชั่วก็ไม่ได้ชั่วอันนี้แปลว่ามิจฉาทิฏฐิ อย่างสุดๆเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะคิดอะไรเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดตามที่เขาต้องการในเมื่อใครไม่เห็นเขาก็ทำความชั่วในทุกอย่างในเมื่อคนไม่เห็นพร้อมที่จะหลบหลีกกฎหมายได้คนไม่เห็นไม่มีสกีลพยานเขาก็ทำความชั่วในทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเขาไม่ เชื่อบ่อยทำดีบาปบุญคุณโทษไม่มีอยากจะทำอะไรก็ทำเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติค่าจะทำอะไรก็ทำในเมื่อคนคนนั้นคิดจะทำความดีไหมถ้าในความคิดของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐินอนเนื่องอยู่ในใจอยู่แล้วเขาไม่เชื่ออยู่แล้วว่าบาปบุญคุณโทษมี กิเลสภายในใจของเขาคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงในเมื่อเขามีโอกาสมีจังหวะที่จะโลภโกรธหลงเอาเอารัดเอาเปียบใครเขาก็พร้อมที่จะทําอะไรทุกอย่างเพราะเขาไม่เชื่อว่าบาปบุญคุศโทษมีเพราะฉะนั้นเขาจึงทําความชั่วได้ทุกอย่างเมื่อมีโอกาสเมื่อมีความรับพอที่ตนเองจะทําได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจังหวะน่ากลัวที่สุด คือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าไม่ดีทำดีไม่ดีดีอย่างที่ได้กล่าวผลที่สุดท่านว่าพวกนี้เหล่านี้พวกท่านเหล่านี้พวกมนุษย์เหล่านี้หรือ ว, ว่าคนที่มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วไปสู่โลกันตนานรกโลกันตนานรกโลกันตนานรกนี่เป็นนรกที่มืดมิดปิดตาเป็นนรกที่ ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนเขาเราอยู Myers, uri, ่ในตกนรกกระป๋องเนี่ยบัตรกรีอย่างดีนอยู่ในนั้นแหละทำไมไม่ตายเนี่ยคนบัตรกรีอยู่ในกระป๋องเพราะเหตุว่ากรรมเขาใช้กรรมเนี่ยเขาใช้กรรมเกิดเพราะกรรมกรรมพามาเกิดมันไม่ตายเพราะกรรมกรรมพาพาเป็นผ้าไปกรรมชั่วพาดําเนินพาเป็นพาอยู่เนีอันนี้ก็คือพวกมิจฉาทิฏฐิ ตกอยู่ในโลกกันตนรกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นถ้าหาว่าเรามาเปรียบเทียบกับมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายรู้จักประเทศชาติบ้านเมืองรู้จักเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ รู้จกักไฟยวุฒิคุณวุฒิผู้มีอุปรกระคุณกับตนอย่างไรอันนี้เป็นถ้าคนคิดได้อย่างนี้คือนำทมคำสอนในถักหลักของพระพุทธศาสนานำมาคิดมาวิเคราะห์การสถานที่บุคคลควรจะทำอย่างไรกับชุมชนและสังคมต่อบุคคล น, นั้ น, น, นอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้แบบสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้วการกระทําก็ชอบการพูดก็ต้องชอบเพราะเห็นชอบในการเห็นชอบในจุดนี้เรามาวิเคราะห์ในการเห็นชอบพระพุทธเจ้าให้เห็นอย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องศึกษาแล้วก็มองดูเขาดูเรา สิ่งไหนที่เราไม่ชอบแต่การที่ไม่ชอบนั้นไม่ชอบด้วยอะไรมันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรไหมพระพุทธองค์ก็สอนอย่างพวกเราเกิดมาในเกิดมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างไรท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์กับเราอย่างไรท่านให้ทานกับเราอย่างไรทานะท่านเสียสละกับเราอย่างไร ในเมื่อเราเกิดมาจากพ่อแม่จากนั้นพ่อแม่ก็เสียสละให้ทุกอย่างสอนเราทุกอย่างในเมื่อเราได้ความรู้ในระดับหนึ่งจากพ่อแม่จากนั้นก็เข้าโรงเรียนเพื่อการศึกษาเมื่อเข้าการศึกษาแล้วพวกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆงการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันต้องมีการสงเคราะห์กัน ถ้าไม่มีการสงเคราะห์กันแล้วพวกเราจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนนั้นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจะว่าให้สอนให้ทานนี่เข้าหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละนะต้องมีทานะนะคือการเสียสละให้อามิสทานคือให้ปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บอาหารการบริโภคผ้าหนุ่มผม ถ้าว่าใครที่ด้อยกว่าเราก็เสียสละให้เขาพึ่งพาอาศัยกันเขาได้ผ่านมุ่งมุได้ปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วเขาก็จะได้มีน้ำใจช่วยสงเคราะห์กันถ้าเขามีน้ำใจต่างคนต่างเป็นสัมมาทิฏฐิต้องคิดอย่างนั้นเว้นเสียแต่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิย อ, อย่างมิจฉาทิฏฐินี่ถึงจะสงเคราะห์ยังไงเขาก็ไม่เห็นคุณของคนเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าถ้าเขาเป็นสัมมาทิฏฐิต่างคนต่างเมตเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยกันก็ต้องรู้บุญคุณซึ่งกันและกันเมื่อเราเขาได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาต้องมองรู้ว่าอืเราได้รับการสงเคราะห์ในครั้งนี้เพราะว่าเขาให้ความสงเคราะห์กับเราเราควรจะตอบบุญแทนคุณเขาอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือเมื่อเราคิดในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ให้อามิสทาน ให้วิทยาทานให้ความรู้กับเขาเมื่อเขาด้อยปัญญาไม่สามารถที่จะมีความเฉลียวฉลาดสสแสวงหาทรัพย์ได้เพราะเขาไม่มีปัญญาเราก็ให้วิทยาทานแล้วก็สอนอาการงานให้กับเขาอยู่ด้วยการงาน ค, คือสอนวิธีขับพถสอนวิธีตัดผมสอนวิธีเย็บเสื้อผ้าสอนวิธีท ร, รมาหาเลี้ยงชีพ อันนี้ถ้าจะว่าไปก็เหมือนวิทยาทานคือใ ห, ให้ให้ความรู้กับเขาแล้วก็ให้ธรรมทานให้ธรรมทานคือทำคาสอนของพระพุทธเจ้าคือแนะนำในทางที่ถูกต้องว่าคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิถึงความหลุดพ้นจากอาสวักิเลสได้เป็นขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปจนหลุดพ้นจากอาสวกิเลสอันนี้มีหลายระดับ รวนแล้วจะ ต, ต้องจะต้องได้ศึกษาอันนี้ก็คือธรรมะทานอภัยทานถ้าเขามาล่วงเกินเราไม่เหลือบา ก, กว่าแรงนิดๆหน่อยๆเนี่ยพอที่จะให้อภัยได้เราก็ไม่ทื้โทษโลรเคืองกับเขาให้อภัยเขาเนี่ยว่าอภัยทานถ้าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามีการเสียสละมีน้ำใจมีฐานะอยู่ในจิตในใจ อยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้คือมนุษย์ชาติที่มีน้ําใจต่อกันถ้าคนไหนหนักคนไหนเบาก็มองกันเห็นกันนี่แหละอันนี้ก็คือคนที่มีฐานะฐานะคือการเสียสละต่อกันแต่ว่าศีละคือศินรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยอันนี้คือกฎระเบียบอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิส่วนหนึ่งอีกเหมือนกัน ถ้าว่าเขาเราคิดไม่ได้เราเมื่แต่คิดจะเอาเปรียบคนอื่นเขาเห็นสัตว์ทั้งหลายแต่ฆ่ามันเลยเบียดเบียนมันเบียดเบียนมนุษย์เบียดเบียนสัตว์ถ้าเขามาเบียดเบียนเราล่ะเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราล่ะฆ่าวงศ์สานาญาติของเราเราเสียใจไหมเราเสียใจเนี่ยอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขา น, ะนในเรื่องสีนเนี่ยท่านอธิษฐานก็เหมือนกันเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราเขามีความรู้สึกอย่างไรการมีสมิจฉาจาราเวรมณีก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขารักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเขามีความรู้สึกยังไงถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงเราไปโกหกเขาเขามีความรู้สึกยังไงเขามาโกหกเราเรามีความรู้สึกอย่างไรย นี่แหละอันนี้คือเขาเราเขาเราเขาเราเพราะพระตเจ้าให้มองเขาและให้มองเราจากนั้นก่อนสุราเมระยาบัตชะการดื่มสุราเข้าไปแล้วมื่นเมาและขาดสติแล้วคนที่ขาดสติทําความชั่วสุขได้ทุกอย่างเป็นบุคคลที่น่ากลัวมากถ้าคนขาดสติไม่รู้ว่าจะทําความชั่วออกมาทางไหนทางกายทางวายการและทางใจทางกายก็คือนะอาจจะฆ่าใครก็ได้ผู้คนขาดสติขโมยใครก็ได้ อย่าประพฤติระลาบแล้วล่วงสามีลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดสติอยากจะขโมยใครก็ได้โกหกใครก็ได้คนขาดสติมันทําได้ทุกอย่างคนขาดสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าดื่มสุราเข้าไปต้องขาดสติจะดื่มทําไมอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิส่วนหนึ่งอีกเหมือนกัน เมื่อเราพิจารณาดูแล้วว่าศิลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเราก็นํามาพิจารณาการกลองตราตรองจากนั้นก็ปรับปรุงการกระทําของตนเองกายวายาจใจของตนเองพวกเราก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในระดับหนึ่งอีกจากนั้นก็พิจารณาถึงด้านปัญญาอีกเลยนะคือใจนะอันนั้นคือเรื่องทานและก็เรื่องศินเรื่องภาวนาเรื่องของใจ เรื่องของแนวความคิดเรื่องของใจเรื่องภาวนาเราจะทำยังไงเราจึงจะดูความคิดของตนเองได้ใกล้คือการการกระทาวาจาคือคำพูดใจคือความคิดนี่แหละเรื่องความคิดตัวนี้แหละเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากทีนง้แต่ว่าเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอย่างมาก พระพันสาวกให้ความสําคัญอย่างมากเรื่องใจแนวความคิดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแล้วจะทํำยังไงจึงจะทําให้ใจิตใจของเราเป็นสมาธิฏิอยู่ในกรอบได้เราจะปล่อยธรรมดาแนละ้วก็ยิ่งคิดก็ยิ่งปรุงก็ยิ่งฟุ้งยิ่งสาสยิ่งไปเห็นความโลภความโกรธความหลงเข้ามาก็ยิ่งพยองพองตัวเข้าไปแต่ใจะจะทํำยังไงแล้วก็ต้องนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นบรรทฐานและมาเป็นแนวทางถึงจะมาเป็นแนวทางก็เถอะมันก็ยังลังไม่อยู่เพราะเหตุไรเพราะว่ามันบางทีมันกระโดดโลดเต้นออกไปอีกนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มีสมาธินีใ่ให้คิดให้ดีในเมื่อมีสมาธิใจิตใจเอาจับสมาธิตับทำยังไงนี่แหละถ้าว่ากําหนดลมหายใจเข้าออก เ, เมื่อจิตใจของเรากําหนดลมหายใจเข้าออก ใจของเรากำหนดลมหายใจเขา้าใจของเร า, าย advances, อยู่กับสมาธิอยุดลมหายใจเข้าออกในเมื่อใจของเราอยู่กับลมหายใจเขา้าออกเป็นหนึ่งในเมื่อใจของเราอยู่นิ่งเราก็รู้ได้ว่าเราคิดเรื่องอะไรเราจะให้มันคิดเรื่องอะไรเราจะให้พูดเรื่องอะไรเราจะคิดจะให้ทําเรื่องอะไรอันนี้มันอยู่ในความคิดแต่แต่กนะนคือเป็นสมา ธ, ธิใจของเราเป็นจับให้มันอยู่ในสมาธิธ จากนั้นเราก็มาพิจารณาดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงเราหลงอะไรเราโลภอะไรเราโกรธอะไรเราหลงอะไรคือว่าเราเราโลภเนะีเรารู้แล้วว่าหรือคือเราอยากอยากจะได้เงินคําทรัพย์สมบัติอยากจะได้สมบัติมาพัฒสถานมาเป็นสมบัติของตัวเองอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆอยากเรยกาอยากนะี่คือความโลภ แต่ว่าความโลภตัวนี้เนี่ยมันเป็นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าว่าเป็นความขยันของเราหมั่นขยันของเราหรือบุญวาสนาบา ร, รมีของเราเราทำดีความดีนั้นต้องตามสนองต้องมาให้ผลอันนั้นไม่ว่ากันแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้อย่างนั้นพอไม่ได้เามากันแรแกล้งเขาฆ่าเขาปนเขาแย่งชิงเขาเ อ, เอา สิ่งไหนที่ตัวเองจะได้มาเอผิดถูกไม่ว่าข้อสัมพันให้ได้มาเล่เหลี่ยมยังไงคดโกงยังไงที่ได้มาอันนี้ว่าจัดว่าเป็นความโลภเพราะเหตุไรเพราะมันไม่อยู่ในทํานองครองธรรมไปว่าโลภความโกรธโกรธไม่มีเหตุไม่มีผลมีอะไรก่อนเนี่ยไม่ได้อย่างใจตนเองก็โกรธให้เขาแต่ตัวเองทําผิดตัวเองทําไม่ถูกไม่โกรธเพราะว่า ไม่รู้จะโกรธให้ใครจยกางในตาเห็นใครคนอื่นโกรธให้เขาแต่จะให้คนอื่นได้อย่างใจเราทุกคนเป็นไปได้เหลือมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องคิดอันนี้แหละคือคิดสัมมาทิฏฐิถ้าว่าจะโกรธให้เขาก็ไม่ไหวแต่ว่าจะไปโกรธเตลิดเปิดเปิงโกรธก็ไม่รู้จักจุดจักย่งอันนั้นก็ไม่ถูกเราต้องมีเรบรต์ทั้งหมดตัวเองเราไม่เคยทำผิดบ้างหรอ เราทำถูกตลอดมาเช่นั้นใช่ไหมถ้าเราก็ต้องคิดดูแต่อื่นถ้าเราทำผิดอยู่เขาก็ทำผิดเราก็ต้องให้อภัยเขาเป็นเสียจนมันเกินไปเราก็จะค่อยว่ากันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือแนวความคิดนเะโลภโกรธหลงหลงนี่เป็นพื้นฐานนะเนี่ยเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งมวลจะทำยังไงจึงจะไม่หลงเดี๋ยวนี้มันหลงอะไร นี่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านสอนพระเนี่ยท่านสอนพระท่านบอกว่าหลงอะไรท่านว่าหลงกายเพราะหลงกายตัวเองซะก่อนยังหลงกายคนอื่นและหลงทรัพย์สมบัติหลงทุกถึงทุกอย่างหลงไปหมดว่าในโลกจักรวาลนี้เป็นของเราเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันหลงไปถึงขนาดนั้นแต่ที่แรกก็หลงตัวเองก่อนหลงกายของตัวเองก่อน ว่าร่างกายเป็นของเราแท้แต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่ร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่ง เ, เห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสายของเราล้มหายตายจากไปเท่าไหร่เขาเขาว่าเป็นของเขานั่นแหละแต่ว่าเขาก็ทิ้งทั้งหมดเราจะไม่ทิ้งหรอกเราจะดูไปชั่วฟ้านถิ่นสลายอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละคือความหลงกายพราะหลงกายแล้วก็หลงสิ่งอื่นชวนอื่นเข้ามา เ, เป็นกตักกรตักเลยแต่นี่ไม่โลดหลงอะไรต่อไม่อะไรฮะ เพราะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าให้ดูกายร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี้จะต้องทิ้งทับถมแผ่นดินนะคําว่ากายกับกายนั่นคือคือใจนั่นแหละแต่เมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบผ่านความสงบแล้วกายกับใจจะมองเห็นกันได้ชัดเลยแต่เนมะื่อมองกายกับใจใจกับกายกายกับใจเห็นได้ชัดจะนึกมาสอนใจแต่นะ สอนใจใจนะอย่าหลงนะอย่าหลงกายนะอีกสักวันหนึ่งกายตัว น, นี้ต้องแตกสลายตายแน่ร่างกายมีป่าช้าเนะี่ยหลวงตาท่านมหาบัวท่านบอกว่าร่างกายมีป่าช้าแต่ใจนี่ไม่มีป่าช้าใจตายไม่เป็นพอออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดปฏิสนทิออกจากร่างนี้ไปเกิดที่อื่นอีกก่อนที่จะไปก็ไปด้วยอะไรไปด้วยบาปกระบนุน บุญพาไปบาปพาไปถ้าบุญพาไปก็ไปสู่ไปเลือกเกิดได้แต่ถ้าบาปพาไปเนะี่เราจะไปเลือกเลือกได้ยังไงเพราะมีคนคุมอยู่เหมือนกับ น, นักโทษจะไปเลือกหาอยู่หากินไปเลือกเข้าตลาดราดลีไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นเพราะไรเพราะคนคุมเขาคุมอยู่แต่คนที่มีบุญเป็นอิสระในการพาไปไปนสถานที่ต่างๆนี่แหละ อันนี้ก็คือจะพาไปเกิดที่ไหนบาปจะพาไปเกิดที่ไหนพาไปที่ไหนบุญพาไปที่ไหนนี่แหละจุดนี้คื อ, คอจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพวกพุทธบริษัทว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่การเกิดนั้นเราจะเป็นวิชชาทิฐิให้รู้ไว้ว่าเราควรจะทำคุณงามความดีอย่างไรเราจะทาความชั่ว เมื่อความชั่วเนะ่ยผลต้องเป็นทุกข์แน่แต่เมื่อเราทําความดีแล้วผลความดีนะั้นจะพาไปสู่สุขติไปสู่ความพึงปรารถนาแต่ถึงยังไงก็เถอกะก็ยังมกุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารยังเวียนว่าวตายเกิดอยู่เพราะนั้นเราต้องศึกษาเข้าไปอีกในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พันพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครต้นโพนั่นท่านทําอย่างไรเนี่เออ มันมีแผนที่มีแผนที่บอกกลุยหมายปลายทางไว้หมดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อย่างไรในวันเดือนหกเพจนั้นท่านให้มองใจให้ดูที่ใจไม่ใช่ดูที่อื่นเถอะใจของเราเนี่ยไปหลงไปหลงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแล้วจะทำอย่างไงใจของเราจะไม่หลงให้มองใจเะมองดูใจปล่อยที่ใจวางที่ใจ นิพพิทาเบื่อหน่ายคลายที่ใจใจกูหลุดพ้นเพราะใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทั้งหมดสิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกขังสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะไปยึดได้อย่างไรยึดอนิจจังยึดทุกขังมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉนั้นเราจะปล่อยยางไงปล่อยวางที่ใจเนี่ยปล่อยวางที่ใจนี่แหละ ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราพิจารณาเข้าไปที่แรก ก, กว้างขวางอาพอตลอม่มตลม่มตล่มเข้ามาแล้วมันไม่ไปที่ไหนมันออกไปจากใจทั้งหมดใจของเราเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งเรื่องทั้งหลายทั้งปวงถ้ามาปล่อยที่นี่วางที่นี่เอใจของเราผหมดภาระดุดพ้นจากอาสวะกิเลสแต่พูดมันก็พูดได้ไดง่ายนะ แต่ที่จะทำจริงๆมันไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันมันตะคุบไปตะคุบมาเหมือนกันตะคุบใจแต่ถึงยังไงถ้าเราเข้ามาตามพื้นฐานเข้ามาตามขั้นตอนนะคือจิตใจของเราเป็นสมาธิก่อนในเมื่อจิตใจของเรานิ่งเป็นสมาธิพอสมควรแล้วเราจะเดินทางวิปัสสนาก็เห็นเป็นวิปัสสนาอย่างแท้จริงเมื่อขี้คลายด้วยวิปัสสนาญาณวิปัสสนาของเราเมื่อเราพิจนารณาเห็น ตามความเป็นจริงแล้วนั่นหละไม่ปล่อยมากก็ต้องปล่อยน้อยแหละจะไหมันไม่วางมากก็ต้องวางน้อยแหะจะไปยึดได้ยังไงเพราะเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่แหละเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมรรคผลนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอไม่ต้องหาที่ไหน หาที่ใจของเราอยู่ที่ใจของเรานะั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องมีเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบซะก่อนความเห็นชอบในระดับมีหลายระดับมีระดับทานระดับศีลระดับระดับภาวนาเรื่องระดับภาวนาเนะี่ยเรื่อที่ว่าสัมมาทิฏฐิมรักแปดท่นจกเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป วายวาจากรรมันโตอิชิโววายวายยโมจติสมาธิอนะย่างว่ามักแปดแต่ว่ามักแปดนั้นท่านยกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเขาว่าเป็นมันเบื้องต้นถ้ามิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันจะมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันจะมองมองเห็นเห็นอะไรเป็นโทษอะไรเป็นขุณอะไรเป็นประโยชน์ อันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษอันไหนสิ่งควรไม่ควรอย่างไรจะรู้เห็นได้ที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิอยู่ใน จ, ใจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในวันนี้หลวงพ่อเน้นเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะพวกเราเห็นชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบตามการกระทาก็จะชอบการพูดก็จะชอบทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าว่าชอบทําแล้วเอโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นทุกข์ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้วเอเรื่องอะไรก็ผิดไปหมดเรื่องานที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเออันสึ่งควรไม่ควรพวกเราไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นกระจกเงามาเป็นเครื่องวัด มาเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติถ้าเรานำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะเดินในทางที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็จะถูกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอันตอนนี้ไปคณะสงฆ์ให้พร